สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายกรคุณชอบเล่าทริปนี้เราจะมาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ท่านเกจิต่างๆเกี่ยวกับอํานาจพระพุทธคุณคาถาอาคมและเครื่องรางของขลังโดยได้รับความกรุณาเอื้อเฟื้อทางด้านข้อมูลมาจากคุณไตรพลนาคสมบูรณ์เจ้าของเพจคนขลังครังวิชาที่มีบันทึกข้อมูลอันเป็นสาระกฎแห่งกรรมบาปบุญคุณโทษและรวบรวมประวัติของพระเกจิหลายท่านอีกมากมายให้ได้เข้าไปอ่านไปศึกษากันครับ ละโดยในคลิปนี้ผมในฐานะคนชอบเล่าจะขอหยิบยกเรื่องราวปฏิหารและคาถาอาคมของหลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกระอมมาถ่ายทอดให้ฟังกันนะครับเป็นบันทึกเรื่องราวของวิชาหัวใจพระยมกับคนโกงความตายและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวความเข้มขลังซึ่งเคยได้รับฟังมาเรื่องหนึ่งเรื่องราวนี้เห็นไม่มีผู้ใดนํามากล่าวถึงในปัจจุบัน เห็นว่าควรรวบรวมนํามาเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังได้รู้ถึงมบนขลังของมืองแม่กลองเป็นวิชาที่สามารถต่อรองกับความตายได้คําว่าต่อรองใช่ว่าจะห้ามความตายไม่ให้เกิดขึ้นแต่เป็นการยืดเวลาให้มรณะการที่จะมาถึงนั้นผ่อนผันเวลาออกไปเรื่องราวนี้ขา้าพเจ้าได้ยินได้รับฟังมาเมื่อราวปีพุทธศักราชสอ3พันหาบจากคำบอกเล่าของคุณปู่ใชัยไซอนุกูลในช่วงเวลาที่ท่านได้เล่าเรื่องนี้ท่านก็มีอายุได้ราว90ปีเศษ ท่านผู้นี้เดิมสมัยที่แข็งแรงน่าจากอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรท่านยังมีอาชีพสำรองอีกก็คือการต้มเหล้าป่าสมัยนั้นปู่ใช้เล่าว่าบ้านเมืองยังไม่เจริญเรื่องต้มเหล้าไม่ใช่เรื่องแปลกปู่ใช้เป็นคนคข้นไปทางนักเลงไม่ยอมคน้นและใจถึงเพื่อนฝูงมากชอบเรื่องคาถาอาคมและของขลังพอสมควรซึ่งในแถบแม่กลองบางนกแขวดําเนินบางแพไปสรดเมืองเพชรไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อคงวัดบางกระอม พระท่านเก่งทั้งทางเหนียวคงและเมตตามหานิยมสิทธิ์ท่านมีมากซึ่งภายหลังหลวนเป็นยอดคณาจารย์ทั้งเส้นเรื่องอิทธิคุณของหลุมพ่อคงนั้นมีมากมายพระท่านชอบสอดแสวงหาครูดีทั้งออกท่องเที่ยวทุดงไปศึกษาวิชาตามสำนักต่างๆในวาระนี้ขอกล่าวถึงวิชาหนึ่งที่หลวมพ่อคงท่านทําได้ขลังและเด็ดขาดมากคือวิชามงคลสมคอคนป่วยและท่านคงว่ามงคลแบบนี้ก็ไม่เห็นแปลกเพราะพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าก็ทําได้ แต่มงคลของหลวงพ่อคงที่นํามากล่าวถึงนี้ท่านจะเสกทำเฉพาะเมื่อมีผู้มาขอเท่านั้นและคนป่วยที่จะสวมมงคลของท่านจะเป็นเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักใกล้ตายเท่านั้นวิชาเสกมงคลของหลวงพ่อคงนี้เรียกว่าวิชาหัวใจพระยมอันหมายถึงหัวใจของพระยาห ย, ยุมมาราชนั่นเองซึ่งวิชานี้ไม่ทราบได้ว่าท่านเรียนมาจากสำนักใดแต่ที่รู้ชัดเจนและเห็นผลเด็ดขาดว่าหากศิทธ์หรือชาวบ้านละแวกวัดบ้านใดมีผู้ป่วยใกล้ตาย รบรรพบรุษซึ่งนอนป่วยรอาการมาของลูกหลานให้พร้อมหน้าพ่อแม่ที่รอลูกมาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายบ้านใดมีผู้ป่วยในกรณีดังที่กล่าวมาลูกหลานก็จะมาขอมงคลจากหลวงพ่อคงซึ่งมงคลที่ว่านี้หลวงพ่อคงท่านจะไม่ทําพร่ําเพื่อท่านจะถามถึงเหตุผลกับผู้ที่มาขอทั้งถามอาการและวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยนั้นก่อนท่านจะคํานวณตรวจดูก่อนว่าเห็นสมควรช่วยเหลือหรือไม่หากรายใดที่หลวงพ่อคงท่านทํามงคลให้ไปสมขอก็น่าแปลก ทีคนป่วยรายนั้นจะมีาการทรงตัวอยู่ได้จนลูกหลานมาพร้อมหน้ากันหรือทําการสังเษส่วนครบถ้วนได้ทุกรายไปสําหรับมุงคลสมขอผู้ป่วยนี้หลวงพ่อคงท่านสั่งกําชับว่าเมื่อผู้ป่วยได้ทำดํำในสิ่งที่ปรารถนาครั้งสุดท้ายสมใจแล้วลูกหลานต้องถอดสายมุงคล น, นี้ออกทันทีและนํามาคืนหลวงพ่อคงท่านเพื่อดูวิ ญ, ญญาณจะได้ออกจากร่างและเป็นไปตามกฎของตรายลักษ์ซึ่งทุกรายก็ปฏิบัติตามคําสั่งของท่านอย่างเคร่งครัด แต่ต่อมามีเศรษฐีรายหนึง่งเป็นผู้ที่มีสมบัติและลูกหลานมากเมื่อถึงเวลาล้มป่วยและใกล้าตายลงลูกหลานก็ยังมาไม่ครบเศรษฐีผู้ป่วยมีความห่วงใ ย, ยที่ตนยังไม่ได้จัดการเรื่องสมบัติอีกทั้งลูกหลานหลายคนก็ยังไปทําการค้าอยู่ต่างเมืองคเนดูเวลาแล้วเห็นว่าไม่น่าจะกลับมาทันการลูกหลานจึงได้ปรึกษากันหลงมติแล้วจึงมาขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อคงซึ่งท่านก็เมตตาทํามงคลสมคอไปให้ ต่อมามเมื่อเศรษฐีสั่งเสียลูกหลานจะครบร้วนดีแล้วพร้อมที่จะลาโลกนี้ไปลูกหลานก็เกิดความอาลัยไม่ยอมถอดมงคลของหลวงพ่อคงที่สวมคอออกเศรษฐีซึ่งนอนป่วยอยู่ดูอาการมีแต่สุดหนักลงเรื่อยๆดูวยังไงยังไงก็ไม่น่ารอดและก็น่าแปลกที่คนป่วยที่นอนนิ่งมาหลายวันนั้นกลับไม่ยอมขาดใจยังคง น, นอนหายใจรวยระดินอยู่บนที่นอนเป็นที่น่าสังเวชกับผู้พบเห็นส่วนของร่างกายก็สูบผอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ใบหน้าตอบลูกตาก็โบดูน่าสมเพชเวทนายิ่งนักด้วยสังขารหมดเวลาแต่ไปไม่ได้เวลาผ่านล่วงไปหลายวันหลวงพ่อท่านไม่เห็นมีใครนํามงคลมาคินจนคืนหนึ่งหลวงพ่อคงท่านเห็นมีชายนุ่งผ้าแดงมานั่งคุกเข่าพนมมือทั้งบอกถึงเรื่องราวที่เขาไม่อาจนำดวงวิญญาณของเศรษฐีไปได้เพราะท่านเสกมงคลสมคอให้เศรษฐีผู้นี้อยู่พอ ร, รุ่งเช้าหลวงพ่อคงท่านดีไปที่บ้านเศรษฐีตรงขึ้นไปบนเรือนแล้วก็ไปที่ห้องนอนของเศรษฐีซึ่งนอนป่วยอยู่ ร่างของเศรษฐีซึ่งผอมและมีกลิ่นคล้ายศพตายซากแต่ยังมีลมหายใจนอนอยู่เบื้องหน้าเห็นแล้วให้รู้สึกเวทนาหลวงพว่อคงท่านยืนสงบนิ่งคล้ายแผ่เมตตายอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงก้มลงหลงหยิบสายมงคลออกจากคอเศรษฐีเมื่อท่านเก็บสายมังคลเรียบร้อยแล้วก็หันหลังกลับเดินลงเรือนทันทีผู้ลูกหลานที่เห็นก็ได้แต่ก้มกราบทั้งน้ําตาไหวด้วยรู้ความผิดของพวกตนหลังจากเมื่อท่านลงเรือนแล้วก็ ไ, ได้ยินเสียงร้องไห้ของเหล่าลูกหลานเศรษฐีดังตามหลังมา แสดงว่าบัดนี้ท่านเศรษฐีได้สิ้นใจลงแล้วตามกฎแห่งธรรมชาติและนับแต่นั้นมาดลงพวอคงท่านไม่ยอมทํามงคลสมคอชนิดนี้ให้ใครอีกเลยและไม่เคยปรากฏในยุคต่อมาว่ามีสิทธิของท่านรูปใดไ ด, ได้สืบทอดวิชานี้กฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมชาติไม่มีผู้ใดฝืนไปได้แม้นอาคมมันเข้มแลังก็ไม่อาจฝืนกฎข้อนี้ได้ดังท่านเศรษฐีผู้มีเงินทองมากมายก็ไม่อาจนําสิ่งใดติดตัวไปได้สัมบัติที่หามาทั้งชีวิต สุดท้ายก็ยังนำมาซึ่งทุกข์เป็นภาระและความทุกข์ทรมานแก่นตนในวาระสุดท้ายได้อีกในความเป็นจริง<ม>สิ่งที่จะติดตัวเราไปด้วยได้หลังสิ้นสุดลมหายใจก็มีเพียงบุญกับบาปเท่านั้นเพียงเท่านั้นที่จะติดตามเราไปทุกภูทุกชาติขอนําเรื่องราวที่บันทึกนี้มาถ่ายทอดเพื่อไม่ให้สูญไปตามกาลเวลาแล้วระลึกถึงท่านผู้เล่าเรื่องราวนี้คือปู่ใช้สายอนุกูลหากมีบุญกุศลอันใดอันพึงมีอันพึงได้จากการเผยแพร่เรื่องราวนี้ ขอทิดให้คุณพ่อคงวัดบางกระอมกับท่านผู้เล่าเรื่องราวนี้แก่ข้าพเจ้าคือปู่ใช้ด้วยเทินและนี่ก็คือเรื่องราวของวิชาหัวใจพระยมของหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระอมจากบันทึกของค น, คนขลังทางวิชาของคุณตรายผลนักสมบูรณ์ที่ได้กรุณาแบ่งปันข้อมูลมาให้ถ่ายทอดแถมนิานทานสั้นๆอีกนิดหนึงน่งดีกว่าครับเป็นนิทานที่คุณกิติพลการยจันทนาบุรีรัมได้กรุณาส่งมาให้ถ่ายทอดและหากว่าใครได้เคยฟังแล้วฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าแล้วก็เข้าเรื่องเลยดีกว่า นิ่นนานมาแล้วนดินแดนอันไกลโพ้นไกลมากๆท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่ตรงนั้นมีเมืองเมืองหนึ่งตั้งอยู่และเมื่อมีเมืองก็ต้องมีพระราชาถูกต้องเมืองแห่งนี้มีราชาผู้ครองนครพระราชาองค์นี้มีอํามาตคู่ใจอยู่คนหนึ่งเป็นอํามาตที่ปรึกษาเป็นคนที่ถูกพระไทยของราชามากด้วยเพราะว่าอามาตคนนี้เป็นคนที่คิดดีพูดดีมองโลกในแง่บวกตลอด และเมื่อครั้งใดที่ราชามีปัญหาครับข้องใจ <c oughs> ก็มักจะมาปรึกษากับอมาตะผู้ น, นี้การปกครองบ้านเมืองก็ราบรื่นเรื่อยมาข้าไม่ยากหมากไม่แพงเท่าแกงขายถูกแต่การต่อมาอีกไม่นานเกิดการกรบฏขึ้นบ้านเมืองร้อนเป็นไฟราชาร้อนรนใจมากเรียกอมาตะเข้าปรึกษาทันทีท ห, ห, หารไปตามอมาตะมาหาข้าซิพระยาค่ะทหารไปตามอมาตะมาเมื่ออมาตะมาเข้าเฝ้าข้อเดชะมีอะไรเหตุกระหม่อมรับใช้พระยะข้อ เฮ้ยตอนนี้มีกบฏทําไงดีวะข้าไม่สบายใจเลยวะ่ะมีคนมาแทะเก่าเอพระราชาถามดีแล้วพระยาค้อ อ, า อ, อมาตย์คู่ใจตอบเฮ้ยมีกบฏแล้วดียังไงวะราชาสงสัยอํามาตย์จึงทูลว่าที่กระหม่อมมามีกบฏดีก็เพราะว่าพระองค์ก็จะได้รู้ว่าใครจงรักภักดีกับเราหรือใครหนาไหนที่คิดร้ายพระยาค้ อ, อ, อพอราชาได้ฟังก็คิดได้จริงด้วยกําลังเรามีมากกว่าตัดรากถอนคนมันให้หมดไปเลย จากนั้นราชาจึงสั่งทหารกำจัดกบฏและผู้ที่ไม่พักดีทั้งหมดทันทีเมื่อการกวาดล้างเรียบร้อยบ้านเมืองก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งการปกครองก็ราบรื่นเรื่อยมาราชาแห่งเมืองนี้มีม้าที่ทรงโปรดอยู่ตัวหนึง่งเป็นม้าที่สง่างามสมกับฐานะพระองค์วันหนึ่งพระองค์เสด็จประาพาสป่าก็ขี่ม้าตัวโปรดไปเรื่อยชมวิวแล้จู่จูเหตุการณ์่คาดฝันก็เกิดขึ้น จะหมาตัวโปรดของพระองค์จู่ๆก็สลับพระองค์ตกจากหลังมันแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าป่าไปทหารองครักษ์ที่ติดตามพากันตกใจรีบพาเสด็จกลับวังทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังความเสียใจให้เกิดขึ้นแก่พระราชามากม้าพานะตัวโปรดมาหายไปอะไรเกิดขึ้นกับมันกันนะเลี้ยงก็ดีให้อยู่แต่ในวังดันหนีเข้าป่าคงจะชอบหากินเองเป็นแน่แต่มันเป็นม้าเลี้ยงจะอยู่อย่างไรได้ในป่าตัวเดียวรุ่งใจยิ่งนักรับสั่งเรียกหมาเข้าปรึกษาทันที เมื่ออมาตเข้าเฝ้าเฮ้ยหมาดเว้ยม้าข่าหายจะทํำยังไงดีวะขาคิดถึงมันจังเลยราชาถามขอเดชะดีแล้วพะยะค่ะหมาดคู่ใจตอบเฮ้ยมันดียังไงวะม้าก่าหายเนี่นะราชาเริ่มกริว้วสงสัยด้วยดีแล้วพะยะค่ะที่ม้าหายไปตัวเดียวหากพระองค์ไม่หล่นลงมาก็คงหายไปกับม้าด้วยแล้วบานเมืองจะเป็นอย่างไรพะยะค่ะบานเมืองอย่งต่อการผูกปกครองอย่างพระองค์นะพะยะค่ะ พระองค์ปลอดภัยประชาชนก็ดีใจแล้วอํามาตย์คู่ใจทูลพระราชาที่คิดตามก็เห็นจริงอันตัวเราเป็นราชาจะมัวไปอะไรอวรกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องได้อย่างไรเออจริงด้วยถ้ากูไม่หล่จากหลังม้าสงสัยหายไปกับมันแน่นอนเจ้าเนี่มันจริงๆเลยปรึกษาได้ทุกเรื่องจริงๆข้าสบายใจจริงๆที่มีอํามาตย์อย่างเจ้าคอยเห้คําปรึกษาราชากล่าวชื่นชมอํามาตย์คู่ใจขอพระไทยพระยะค่ะและการปกครองนครก็ยิงคงราบรื่นเรื่อยมา มีวันหนึ่งพระราชาได้ซื้อดาบใหม่มาเล่มหนึ่งสวยงามและถูกใจเป็นยิ่งนักขมกริบเหมือนใบมิตรโกนพระองค์ควงเล่นดาบที่เงาสะท้อนกับแสงแดดวับไปวับมาองค์ราชาชอบใจควงไม่หยุดหย่อนฮสวยงามสวยงามจริงๆดาบเล่มนี้ควงไปเติ้วเตี้วต้วและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คนเกิดก็เกิดขึ้นอีกดาบที่อยู่ในมือพระองค์หลุดมือจนได้แรงเวียงที่ควงมาทําให้มันเหมือนควางลงสู่เบื้องล่างเฉาะ โดนพระบาทของพระองค์และด้วยความขมดุดมิโกนของมันมันได้ตัดนิ้วเท้าของพระองค์กุดไปเลยโอ้ยนิ้วขาขาดช่วยด้วยราชาร้องวอยๆทหารองครักษ์ตามหมอผดุพยาบาลเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในสายตาอมารัคู่ใจโดยตลอดพระอยู่ในเหตุการณ์อมรัคู่ใจรีบเข้าหาทัานทีพระองค์ใจเย็นๆนะพะยาคะไม่เป็นไรหรอกพระองค์ใจเย็นๆ น, นะพะยาคะไม่เป็นไรได้ไงวะนิ้วตีนกูขาดนะโอยดูสิกุดหมดแล้วพระราชาบอกด้วยความเจ็บปวด ดีแล้วพะเยาค่ะนิ้วขาดแต่ดีแล้วอามาดคู่ใจทูลราชาได้ฟังหันความจ้องหน้าทันทีเฮ้ยดียังไงวะนิ้วกูขาดเนี่ยนะไอหนีบ่าแล้วทหารจับมันไปขังลืมเลยใหญ่มออกมาอีกนะขังลืมมันไปเลยพะยาค่ะทหารรับคําสั่งจับอมาตผู้พักดีไปขังลืมทันทีและเหตุการณ์ร้ายก็ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งราชาหายประชวรปกครองด้วยความรเร้ารื่นต่อมาเหมือนเวลาล่วงผ่านไปหลายปีบ้านเมืองยังคงสงบสุขไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น วันหนึง่งพระราชาอยากไปเที่ยวป่าที่ไม่เคยไปจึงสั่งจะตั้งขบวนออกป่ามีองครักษิติดตามไปหลายนายราชาท่องเที่ยวป่าไปได้วยความเพลิดเพลินโดยหารู้ไม่ว่าที่ป่าแห่งนี้มีผ่มนุษย์กินคนอยู่กว่าจะรู้ตัวก็ถูกจู่โจมซะแล้วการต่อสู้เกิดขึ้นแต่ด้วยเสยภูมิที่เสียเปรียบจึงทำให้พ่ายแพ้ทุกคนโดนจับหมดรวมทั้งราชาด้วย เสียงเฉลิมฉลองของเผ่ากินคนดีใจกันทุนหน้ามีอาหารเข้ามามากมายและไม่มีคําว่าโลกสวยสําหรับเผ่ากินคนม้อต้มใบใหญ่ถูกตั้งขึ้นกลางกองไฟเสียงเพลงเฉลิมฉลองดังไม่หยุดอุ้มเกาะอุ้มกาอุ้มเกาะอุ้มกาะขบวนเสด็จรวมทั้งราชาถูกจับขังไว้และเมื่อน้ําต้มเดือดเผ่ามนุษย์กินคนเข้ามาจับทีละคนเพื่อไปทำอาหารกินเสียงร้องโหยหวนไปที่อนาใจยิ่งนัก เวลาผ่านไปคนแล้วคนเล่าโดนจับเอาไปกินแต่ด้วยราชาเป็นผู้ที่มีผิวพรรณผ่องใสร่างกายดูสมบูรณ์ดูดีกว่าทุกคนที่จับมาหัวหน้าเผากินคนจึงสั่งว่ากินทีหลังดีกว่าไอ้คนนี้ราชาจึงรอดต่อมาจบจนเมื่อเวลาทุกคนโดนกินหมดเหลือแต่เพียงราชาองค์เดียวเสียงกรองก็ดังขึ้นเมื่อหัวหน้าเผาสั่งให้ไปเอาราชาออกมากินสวยละทีนี้อก็ก็ก็ก็อุก็กกกราชาถูกนําตัวมาล้างตัวเตรียมต้ม สายพระเนตรไหลย้อยแต่แล้วเจ้าคนล้างตัวราชาก็ต้องสะดุ้งอันไป็บกหัวหน้าเผ่าว่าอปุยตปูปปูปแปลว่าไอ้นี่กินไม่ได้อปุ๋ยปะปูแปเตะหัวหน้าเผ่าถามกลับมาว่าทำไมอปุยปปูปูด่วนเจ้าคนล้างตัวราชาตอบแปลว่าไอ้นี่มันนิ้วเท้ไม่ครบเป็นอัปมงคลกินแล้ววิบัติฉิบหายแน่นอนราชาฟังไม่ออกได้แต่หมดอะไรตายยากอปุยปปูหัวหน้าบอกให้ปล่อยไปแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น มันแก้มาดเชื่อแค่ราชาแล้วก็ไล่าราชาให้เดินจากออกมาไม่น่าเชื่อราชาโดนปล่อยตัวราชายิ้มทั้งน้ำตาเดินโซซัสสดเซพยายามกระเสือกกระสนเพื่อกลับเมืองและสุดท้ายราชาก็เดินทางกลับมาถึงเมืองจนได้ทหารกับเหล่าเสนารีบกรูออกไปรับราชาทั้งดีใจทั้งอ่อนเพลียและคิดถึงใครคนหนึ่งขึ้นมาคนที่บอกว่าพระองค์เหนียวด้วนแล้วดีคนที่พระองค์ขังลืมมันจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ทรงรีบรับสั่งให้ไปไปตัวอํามาตย์คู่ใจออกมาจากคุกทันที ทหารไปปล่อยอมัดคู่ใจเขาออกมาซะและเมื่ออมัด ถ, ถูกปล่อยตัวออกมาก็ถูกนํามาเข้าเฝ้าทันทีเมื่อพบหน้าอมัดคู่ใจราชาดีใจที่ยังไม่ตายแล้วก็รีบเล่าเรื่องราวให้ฟังอมัตนิ่งฟังด้วยใบหน้าที่หยิ้มแยม้มเออข้าก็โทรเจ้าด้วยที่สั่งขังลืมเจ้าพระราชาบอกอมัดไปอมถถัดทูลตอบพระราชาว่าขอเดชะดีแล้วพะเยาข้าที่ขังลืมกระหม่อมไว้ ร, ราชาได้ฟังก็แปลกใจดียังไงวะ ข, ข้าขังเจ้าเนี่ย และอามาดก็ทูลตอบว่าขอพระรัชท์จะถอนอภัยนะพะยาคะขอบุตรภาษาชาวบ้านเห็สะใจสักทีเถิดอ๋อไม่เป็นไรขาอนุญาตพระราชาทรงอนุญาตแล้วอามาดก็ทูลว่าดีสิพระยาคอที่ขังลืมกระหม่อมถ้ากระหม่อมไม่ถูกขังลืมป่านนี้โดนแดกไปแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเหตุพาไปหาผลผลพาไปหาเหตุในมุมที่เร้ายก็มักจะมีอีกมุมหนึ่งที่ดีเสมอเพียงแค่เปิดใจมองให้เห็นเท่านั้นเอง ขอทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทางด้านเรื่องราวแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ระหว่างที่รอ YouTube อนุมัติถ้าไม่เดือดร้อนและสบายใจก็อย่าลืมเชื่อกันสนับสนุนทางด้านโด n a t ด้วยนะครับตามหมายเลขบัญชีที่อยู่หน้าคลิปแล้วก็เช่นเดิมครับขอทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดรํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ